ผมเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือนกเนี่ยกําลังจะตายเพราะว่าถูกสุนัข ก, กัดไอ้นกเนี่ยกาลังดิ้นด้วยความทรมานเราก็ไปดูเห็นแล้วเออจะช่วยให้นกเนี่ยพ้นจากความทรมานโดยการทําให้นกตายทันทีเลยจะดีไม่ดีมันสงสารแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนั้นเราเป็นตัวที่เป็นาญชีวิตเขาไม่ทราบว่า พอผมตัดสินใจว่าอย่างนั้นแม่ช่วยเดินออกมาอย่างนี้จะมีความกรุณาหรือเปล่าครับนะะติดปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ลอสินนะครับขอบคุณครับครับอาจารย์ก็ไล่ตอบตั้งแต่คุณเอกชาติเลยนะฮะครับว่าการที่พระอวดอจริมนุษยธรรมอย่างไรอวดอย่างไรจึงจะถือว่ามีความผิดเป็นความลผิด เด็วเธอส่วนมากจะจะออกไปทางปัจจตังใช่ไหมที่ว่าครับทางออกเลยปัจจตังเลยเฉพาะตัวครับมันเรื่องของวินัยนะฮะไม่ใช่เรื่องปัจจตังเรื่องของวินัยอันนี้ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นวินัยที่ที่ไม่ใช่ปัจจตังใครจะปัจจตังก็ปัจจตังไปแต่ฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องวินัยก็ต้องถือวินัยเป็นหลักครับอันนี้เป็นเรื่องของระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้า ขวดไม่ได้เด็ดขาดขวดอย่างนี้ก็ถือว่าผิดแล้วนะท่านอาจารย์ไม่ได้ครับไม่ได้ขวดไม่ได้เก็ผิดวินัยได้ชาติดนสมาธิได้อะไรบอกไม่ได้นั่นอ่าไม่ได้แต่บอกก็ถือว่าผิดไม่ได้เด็กขาครับผมของบุญศิษย์ชัยคุ่ว่าไงล่ะถามว่าเรื่องที่สอนนี่สอนเรื่องมันนะนครับเทยถ้า ถ้าถ้าบอกคือถ้าบอกว่าเป็นปัจจกตังก็แปลว่าไม่ถือวินัยครับะก็ตั้งใจนะฮะถืวินัยถ้าถือว่าแม่ผิดเิดนะฮะครับอาคุณสิทธิชัยก็ต่อไปว่าที่นิทานเรื่องแรกนั่นเป็นการสอนเรื่องมานนะไม่ใช่วัตถุกไหมฮะอ๋อที่เฉลยได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันหมดแล้วหมดสายแล้วใชครับยังไม่ไมีสายสุดท้ายรออยู่สายสะคือคืออย่างเนี้ฮะ คิดคนละอย่างครับครับอืมคิดคนละอย่างแล้วก็คนเราเนี้ยถ้ามีผมด้วยเราก็มักจะคิดมากครับเอท่านที่จริงพระอาการดุกะนี่ท่านก็ทำด้วยความซื่อสัตย์นะฮะแต่ว่าพระน้องชายนี่ยตีความไปเองคนละอย่างครับตีความไปเองค่ะทีนี้คนในคนที่ชายบอกว่าท่านพระอาการดุกะคิดว่าทั้งทั้ที่ตัวเองกเก่งกว่าแล้วแต่ทําไมอว่าพระน้องชายนี่เก่งกว่าเอท่าน ท่านเข้าใจไปคนละอย่างอ๋อคนละอย่างอย่างเหมือนกันนะฮะจ๊ะเข้าใจไปคนละอย่างเข้าใจคนอย่างเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันตีความไปคนละอย่างอ๋อครับครับตอนนี้ของคุณสันติเห็นนกกําลังจะตายสงสารแล้วไม่ช่วยอ่อที่ใจก็คิดจะฆ่าให้มันตายเลยแต่ใจหนึ่งก็กลัวจะผิดศีลก็เลยไม่ช่วยอย่างนี้ถือว่าขายกรุณาไหมฮะอันนี้สุนัขปล่อยมาในอย่างครับนะฮะสุนัขปล่อยมาแล้วก็ปล่อยแล้วฮะสุนัขปล่อยมันแล้วใช่ไหฮะออครับ ถ้าสนัขปล่อยมันแล้วก็ปล่อยมันไปเลยฮะแต่ว่าใ ห, ให้ให้มันไปตามตามตามยะถากรรมของมันที<แ>นี้จะเอาไปรักษาเธอดูแล้วว่ายังไง<แ>มันก็ไม่รอดหรือไม่รอดอะจ ะ, จะปล่อยมันให้มันตายไปอย่างนั้นเลยหรือว่าจะเอาไปรักษาเอาไปรักษ า, าเอาไปรักษาได<แ>้ก็ดีถึงจะเป็นกระุนนาท่านอาจารย์เอาไปรักษาได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่เอาไปคิดว่าเออไปกับของมัน อ, นนอย่างเี้ยไม่เอาไปก็ต้องอุเบกข า, าต้องขออเาเยตาะเ อ, อ, อเ า, อเาออไปก็ตายไม่เอาไปก็ตายเองตายไปซะก็ถ้าหากว่า เป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาไปรักษาครับครับก็มีสายสุดท้ายใจนะครสนะครับสวัสดีครับคุณคริสนะครับครับสวัสดีครับอจาระครับสวัสดีครับไม่มีอะไรเพนจะจบไปดีเพลินนั่งฟังอยู่นี่นะครับผมเอ่อที่พูดถึงความเปลี่ยนย้ายภูเขานี่นะฮะอันหนึ่งหนิงจิงาอาจรย์ไปอ่านเทียบพระมหาชนกเนี่ยนะฮะที่หวในทะเลแล้วจะข้ามเนี่ยนะฮะที่จะให้เหลือความเลือลมในทะเลแล้วจะไหว้ที่ไดถึงทะเลในด้วยความเปลี่ยนเีย ซึ่งเนี่ยผู้ศาสนาสอนในเรื่องความเพียรอะไรเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากการที่ว่าข้ามทะเลมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าจะไม่ละความเพียรจนกว่าตัวเองจะไม่มีนี่นะฮะซึ่งเหมือนกันที่ว่าจะย้ายภูเขานี่ก็เหมือนกันแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าความกรุณาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเมื่อเราใช้ความกรุณาของเราทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่สําเร็จแล้วเนี่ยจะมีผู้กระนาดมีคนที่มีความกรุณากันให้กับเราที่เขาเหลือกว่าเราเนี่ยก็เหมือนอย่งกับเทวดามาช่วยนางเมฆามาช่วย ให้ให้ให้หลุกคนไปนี่นะผมว่าค่อนข้างจะใกล้กลเคียงกันใกล้เคียงกันมากๆเลยครับนะฮะแล้วจริงๆแล้วคงจะไม่มีเวลาแล้วเนี่ยที่พูดถึงเรื่องเอ่อเรื่องของอคันตุกะที่มามามาพูดถึงพระนั่นนะะอ่าได้ค่ะคุณกิตติแมคงจะยาวอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนโบราณเนี่ยอาจจะบอกว่าเออเนี่ยของให้เลยต้องสูงนะจะได้เป็นเจ้าคนหนายคนถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจารย์นะจะมองเห็นว่าการที่เป็นเจ้าคนหนายคนนี่ไม่ได้หมายความว่า เป็นกินเล็แล้วว่าเราจะไปเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะถ้ามอญงอานนึงว่ถ้าเทียบของคนโบราณแล้วเนี่ยคือถ้าเราเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเรามีสามารถทํามาหากินได้แล้วเนี่ยจะไล่ไปดูแลคนอื่เนเขาด้วยนะฮะถ้ามองอีกภาพให้กลับกันว่าถ้าคุณมีความสามารถคุณมีความพยายามคุณเรียนหนังสือสูงขึ้นแล้วเนี่ย ลูกน้องต่างๆทั้งหลายแหล่ที่มีเนี่ยผมมองในลุกในลักษณะของบ ร, ริษัทเลยนะบริษัทบางบริษัทเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเออเนี่ผมเลิกบริษัทไม่ได้เพราะลูกน้องเป็นพันๆคนเนี่ยจะอดนี่นะมันมีส่วนบางทีมองๆแล้วเหมือนว่ามันไม่เชื่อมันก็เออไม่จริงอ่ะคุณมีความโลภเพราะว่าคุณต้องมีความหวังออทุกทุกคน <c oughs> ทําอะไรนี่มันก็ต้องมีความหวังแต่ในความหวังนั้นเนี่ยลึกๆมันยังมีทั้งโลกเออเรียนสูงมันจะได้เป็นเจ้าคนนายคนถ้ามองอีกภาพหนึ่งให้เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยนั่นค อ, อย่างที่อาจารย์วัฒนศิลป์พูดเนี่ยให้ความกรุณาเขาความกรุณาคือมาก็ว่า เอาความทุกข์ทั้งหลายเนี่ออกจากร่างกายเขาให้ได้เมื่อคุณเรียนสูงขึ้นแล้วหลังจากกรุณาแล้วนี่ก็มีเมตตากขาจะเอาความสุขให้เขาด้วยนั่นมันมองคุณคุภาพอาจากย์ผมไม่ทราบมาเจอมองคุณภาพนะก็เป็นถ้าชัดเจนนะฮะใช่ครับมองอย่างนั้นแล้วความเพียรที่มื่อกี้พูดแล้วเนี่ยถ้าไปอ่านขอมหาชนโลกย้ายภูเขาเนี่นะฮะแล้วก็มีเจวดามาแล้วก็ย้ายภูเขาแทนในนี่นะฮะไก่เคียงกับเคียงกันแล้วแต่นี้จริงๆในศาสนาพูดเนี่ยพูดถึงความเพียรเอาไว้แล้วเนี่ยผมว่ามันมี เองประกอบที่สมบูรณ์ตอบด้วยโอ้โหลุนแรงมากที่ที่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็พูดถึงความเพียนที่จะที่จะอทําให้สาเร็จเล้นะที่จะตัดสลูนเนี่ยนะอย่างที่ท่านเคยพูดเขาจำจำคำพูดมันแค่ไหนนะเคยเคยอ่านนียนะเขาบอกทุกทุกทั้งหลายเรารู้ชัดคุณค่าทำสอประการความเป็นผู้ไม่สันโดดในอุดมและกรรมอย่างผมจาไม่ได้นะองค์ที่ไม่ใช่ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระยอทอถอย สังที่เราตั้งความเพียรไว้นี่นะความคือหมายว่าให้ความเพียรจะ บ, บรรลุด้วยเนี่ยเนี่ยวแรงความเพียรบากบั่นของบรุษแล้วจะไม่หยูดยั้งความเพียร น, นะคือว่าต้องเพียรตามที่ตัวเองมีความสามารถค่ะครับผม อย่าไปเพียนว่าฉันจะเป็นมหาเศรษฐีนะมันไม่ได้คจะเป็นรวยก็คือเพียนตามที่ตัวเองมีความสามารถตอนแรนท่พระเจ้างบอกว่าจับเพียนให้สาเร็จตามที่บุรุษตึงดได้ผมว่ามันมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีมากขอพอดีหมดเวลาพอดีครับคุณที่ชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก่าอาจารย์วันสียรข้าหมดเวลาพอดีครับับถ้าเรมีใจฝากไ่อาจารย์ ครับก็มีขอความการุณาไว้ด้วยครับครับผมว่าขอให้มีความกรุณาครับความกรุณาครับครับผมขอให้เนดั่งใจครับครับครับครับเพื่อฟังครับวันนี้ก็เข้าชัยชนะข้อที่หกปฏิทันผู้ฟังทุกท่านโดยครับครับเช่นเท่ากันครับอ่าครับวันนี้คุยกันเรื่องไชชนะแปดประการนะครับครับไชชนะแปดประการ ก็มาถึงสัปดาหที่หกนะครับใช่อาจาได้ยินเสียงคมชัดไหมตอนนี้อ่าตอนนี้ชัดขึ้นแล้วครับครับครับก็เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในทุกๆอยา่างอืมเอาชนะโรครเอาชนะโรคภยัยไข้เจ็บเอาชนะโรภคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในทุกๆอยา<ห>่างนะครับ มีสุภาสสิตเนี่ยที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าโรคภัยเข้าทางปากทุกภัยออกจากปากโรคไัยเข้าทางปา ก, ก, า ท, าปากทุกภัยออกจากปากแอถ้ามาโรคภัยเข้าทางปากนี่คือถ้าคนไม่ระวังปากก็กินไม่เลือกนะคอ่อ กินไม่ไม่พิจารณาคือว่าเห็นแค่กินเห็นแคกินอ่าก็มักจะมีโรคภัยมากครับเดีนี้ก็ก็ชัดเจนนะท่านอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยคนเราพอเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันมีไขมันมีไติีสลายอะไรต่างๆเกิดจะกินตรงนั้นเลยนะฮะเยอะแยะไปหมดครับโรคที่เกิดจากการไม่รู้จักประมาณในการกินนะครับครับเยอะไปหมดตับแข็งตับอะไรนี่ก็ เกิดจากการกินทั้งนั้นนะครับอล น, น, นั่นกินแล้วทีนี้ก็ต่อมาก็ว่าทุกไปออกจากปากหรือว่าถ้าไม่สำรวมวาจาอยากจะพูดอะไรก็พูดก็กมักจะมีทุกไปตามมา วาจายะสังวโรสาธุครับครับมักจะมีทุกข์ภัยตามมาเพราะไม่อระวังไม่ระวังว่าจครับก็รวมความว่าโรคภัยเข้าทางปากทุกข์ภัยออกจากปากก็เลยต้องระวังอทั้งเรื่องโรคภัยและทุกข์ภัยนะครับอาจารย์ครับครับก็เมื่อช่องทางก็อยู่ที่ที่ปากนี่เองนะท่าอาจารย์ ครับากไม่คุณทอนพูดเชานว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรักเลยนะมีคนรักรบถ้อยอร่อยจิตแม้พูดช่วยตัวตายสํายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาก็าพูดไม่ดีก็ตายเหมือนกันเลอาจารย์ครับก็ลินคนเชิดคอคนคอทีนี้มามาข้าเด็นนะครับอาจารย์ครับข้าบด็น ผมจะพูดถึงเรื่องความไม่มีโรค ก, ก่อนนะครั บ, รบโรคภัยไข้เจ็บความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอ่นนี้เป็นพระพุทธภาษิตอะโรคยะปรมาลาภาก็ได้ยินกันอยู่ทั่วไปนะครับที่ได้ยินสว่วนมากจะผิดใช่ไหมทาอาจารยนะ์เราบอกว่าอโลคยาปารมาลาภาอ๋ออันนั้นก็ขยานะ่คร <laughs> <laughs> ับว โฆษณายาเขาว่ากันแต่ที่จะถูกต้องเรียกว่าอโรคยะปรมาลาภาอะโอรอะคยะปรมาติดกันนะฮ ะ, ฮะอะโรคยะปรมาติดกันแล้วก็แยกแล้วก็ลาภาล <ฮะ S 2> าภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งในนี้ที่อพูดพูดกันว่าอะโรคยาปรมาลาภานั้นไม่ถูกวิทยกรนะครับไม่ถูกวยากรไม่ถูกไม่ถูกภาษา แต่ว่าพอพอกลอมแกลมไปได้ถ้าจะให้ถูกต้องว่าไงถ้าอโลคาอโรคยะปารมาไม่ถ้าหากว่าถ้าเกิดว่าแยกเป็นสามสามักเนี่ยแต่ต้องใช่ยังไงฮะถ้าก็าแยกไม่ได้อยู่เลยก็ต้องเป็นต้องเป็นอย่างอื่นไปอ่นะครับต้องเป็นอย่างอื่นไป อ, อแต่ว่าที่ถูกที่ไหนก็บาลีพุทธภาสิทธิ์ก็เป็นอย่างนี้นะฮะ เป็นอย่างนี้ทุกแห่งครับไ ม, ไม่ไม่ว่าที่ไหนเป็นอารมคยัปรมาลาภาไม่มีแย ก, กแไม่มีแยกครับโลกคยัปปารมาค <c oughs> ําว่าโรคในที่นี้จะหมายถึงโรคกายหรือโรคใจครับ่าอาจารย์เอพระพุทธภาษิตจริงๆแท้ะในพระไตรปิฎกก็หมายถึงโรคทางใจนะครับโรคทางใจโรคทางใจแต่ว่า เราเอามาใช้ในความหมายของโรคทางกายกันไปหมดแล้ว <S <S ผมขอเล่าประวัติความเป็นมานิดหนึ่งนะครับนะครับคงไม่ไม่เสียเวลาไ ม, ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอันนี้ก็มาจากข้อความในมาคันทิยาสูตรประตรปิดกเล่มสิบสามข้อสองร้อยเจ็ดสิบหกที่โรงผู้ชาวไฟของพราหมณ์ภารัตวัชะ พระพุทธเจ้าประทับบนกองหญ้าในโรงบูชาไฟนั้นซึ่งอยู่ที่นิคมชื่อกรา ม, มาสธรรมะในแคว้นกุลุตอนเช้าเสด็จออกบินทบาสฉันเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปอย่างแนวป่าประทับณคนไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นมันทิยะปริพาชกเดินเที่ยวเล่นอยู่เข้าไปในโรงบูชาไฟของพระามพารัตวาชะ เห็นที่นั่งซึ่งทำด้วยกองหญ้าแล้วทักว่าคงจะเป็นที่นั่งของสมณ ะ, ะพระามภารัตถวาชะตอบว่าเป็นของพระสมณะโคดมผู้เป็นพระอระหรันต์ผมขอแวะตรงนี้หน่อยนะครับนะครับคือที่นั่งของผู้ที่มีศีลมีธรรม เ อ, อเขาเรียกว่าทิพยาหอัดทิพยาหาดสงสัยว่าคนที่ทักมัจกี่เนะี่ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นที่นั่งของ อ, อพระออท่านท่านรู้อยู่แล้วฮะเขาสันนิษฐานสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่นั่งของเ อ, อผู้ที่ทักมันทิยารประยปโชกนะฮะเขาสันนิษฐานสันนิษฐานเอาแต่ว่าเจ้าของที่เนะี่ยเขารู้อยู่แล้วครับ ถ้าที่นั่งของผู้มีศินมีธรรมก็เรียกว่าทิพย์อาจครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นที่นั่งของผู้ที่ได้ฌานได้ฌานก็เป็นพรมหมอาจเรียกว่าพรมหมอาจที่นั่งของพระอริยะผู้ที่ละกิเลสได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไปจนถึงพระอรหันต์ท่านเรียกว่าอริยะอาจอริยะอาจเพราะฉะนั้น อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านจะนั่งอยู่ที่ไหนจะประทับอยู่ที่ไหนก็เป็นทั้งทิพย์าอาเป็นทั้งทรมาอารเป็นทั้งอริยาอาดแม่ท่านจะนั่งอยู่บนกอย้านะฮะอยู่บนกองยา้าก็จะเป็นทิพย์พยาอาัดทรมาอาดเป็นอริยาอาดไปทุกแห่ง <c oughs> ไปทุกแห่ง <c oughs> ทีนี้ สำหรับที่ว่าที่ว่ า, วาพราหมณ์พรัตวชชะตอบว่าเป็นของพระสมณโคโดมผู้เป็นพระอระหันต์อันนี้ขอย้ำไว้อีกทีนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเคยพูดกันในรายการนี้หรือเปล่าคือมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่อ่านออกเสียงเป็นพระอระหรันต์ะนะฮะเนะพราะงั้นก็ขอบอกกันพระรอรหันต์ขอให้อ่านเป็นพระอระหรันต์แต่อรหรันต์เนขอ่านอย่างนั้นนั่นแหละครับอรหันต์ในหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหม เอถ้าฮถ้าออกเสียงอรหันแล้วก็ไม่มีต่อเต่าด้วยนะฮะไม่มีต่อเต่าการันก็จะเป็นสัตว์ในนิยายครับชนิดหนึ่งมีสองเท้าแล้วก็มีปีกหัวเหมือนคนแล้วก็ในความหมายอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงผู้วิเศษแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้วิเศษแบบพระอรหันในพุทธศาสนานะครับครับ อันนี้ห น, น้าที่เนี่ยครับที่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสนทนากับปริภาชกเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันจะนำไปสู่อมตะธรรมทางมีองแปดเป็นทางที่เกษตร ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจัดอย่างนี้มัณฑยปริพาชก็ทูลว่าคําว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นต้นนี้เขาเคยได้ยินได้ฟังมาจากปริพาชกชั้นอาจารย์และป่าจาันป่าจาย์ก็คืออาจารย์ของอาจารย์นะครับมาแล้วเหมือนกันพระพุทธเจ้าจัดถามว่าข้อความนั้นท่านเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไร อริพาชคเอามือรูปตัวแล้วทูลว่าความไม่มีโรคคืออย่างนี้คือไม่มีโรคทางกายบัดนี้เขาเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขดีจุพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเรียงไปก็เหมือนคนตาบอดแต่กาเนิดไม่เคยเห็นรูปสีใดๆเลยไม่เคยเห็นอะไรเลยต่อมาได้ยินคนพูดถึงผ้าสีขาวเขาก็เที่ยวแสวงหาผ้าสีขาว มีคนหนึ่งเอาผ้าขาวเทียมเพื่อนเขาเหมามาลวงเขาบอกเขาว่าเป็นผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ไร้มนตินเขารับเอาผ้านั้นไว้หกแล้วดีใจว่าเขาได้ห่มผ้าขาวงามบริสุทธิ์เขาเห็นเองหรือว่าเชื่อคนตาดีที่มาหลอกลวงอาจารย์ต้องเงียบไปนานหน่อยนะฮะครับไม่เค ในปริภาโชกก็ทูลว่าเขาเชื่อคนตาดีที่มาหลอกลวงพวกปริภาชคทั้งหลายก็เหมือนกันไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่รู้จักพระนิพพานแต่ก็ยังกล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งซึ่งเป็นพระดํารัดของพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คาถานั้นได้กลายมาเป็นคําพูดของปุถุชนมาเรื่อย คือแม่ปุถุชนผู้ไม่รู้ความหมายอย่างแท้จริงก็พูดต่อๆกันมาว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอันที่จริงกายนี่แหละเป็นโรคเป็นวกฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากมาคันธยาปริปาโชกประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงแสดงธรรมให้ฟังเพื่อให้รู้จักความไม่มีโรคและนิพพาน พระศัสดาตรัสว่าถ้าแสดงแล้วเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเป็นความเหนื่อยเปล่าเมื่อปริภาชคประกาศความเลื่อมใสยิ่งขึ้นขอให้ทรงแสดงธรรมจึงตรัสว่าบุรุษผู้ตาบอดแต่กำเนิดนั้นต่อมาพยายามรักษาตาจนหายโรคแล้วเห็นว่าพาทิชนอมอยู่ซึ่งสำคัญว่าเป็นข้าสาวบริสุทธิ์ไร้มลติ น, นั้น ที่แท้เป็นผ้าสกปรกน่ารังเกียจเขาย่อมเครียดแค้นพิมพชังคนที่หลอกลวงเขาถึงกับต้องการจะฆ่าเสียดูก่อนมาขันทียะเมื่อเราแสดงธรรมอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้ถ้าท่านรู้จักความไม่มีโรคและเห็นนิพพานได้ท่านก็จะละความกรรหนัดพอใจในขันท่าซึ่งท่านยึดมั่นอยู่ ท่านจะมีความรู้สึกว่าเราถูกจิตนี่หลอกลวงให้หลงผิดมานานแล้วหนอจึงหลงยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะมีความยึดมั่นจึงมีพบก็มีพบจึงมีการเกิดแก่เจ็บตายเรื่อยไปปริพาโชคประกาศความเลื่อมใสยิ่งขึ้นขอให้ทรงแสดงธรรมเพื่อเขาจะได้หายตาปอดพระสสดาจัสอนให้คบสัจตุสุษคือคนดี ฟังธรรมของคนดีนำธรรมไปปฏิบัติก็จะรู้เห็นเองว่าโรคฝีลูกศรเป็นอย่างนี้อย่างนี้และมันจะดับลงได้ในที่นี้เพราะการดับอุปาทานเมื่ออุปาทานดับพบก็ดับเกิดแก่เจ็บตายก็ดับตามกันไปกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงอย่างนี้อริภาชกทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาขอบวชเมื่อบวชแล้วหลีกออกความเพรียด ไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ผมขอต่อยอนิดเดียวนะครั บ, รบรเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งพูดกันอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทเราแต่ก็คงจะมีน้อยคนนักที่เข้าใจพระพุทธภาสิก หรือว่ารู้ถึงพุทธาธิบายที่ลึกซึ่งนี้เข้าใจกันแต่เพียงว่าการที่ร่างกายซึ่งไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งแล้วแต่ในความหมายลึกๆของพระพุท ธ, ธองค์ก็คือร่างกายนั่นเองเป็นตัวโรคอยู่แล้วร่างกายนั่นเองเป็นตัวโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายจะไม่มีโรคเป็นอันไม่มี การละความกำนัดพอใจในขันธ์ห้ามีรูปเป็นต้นนั้นต่างหากที่เป็นราภอย่างยิ่งครับครับก็ความเบื้องต้นที่เป็นที่มาของพระพุทธภาสิทธ์ก็จบตรงนี้นะครับยันมีอะไรจะติดอไหมครับคำว่าอโลคยะปรมาเนี่ก็หมายถึงนิพพานนั่นใช่ปะหรือยังไงในในความหมายหมายถึงไม่มีโรคคือกิเลสนะครับการละกำนัดในขันธ์ห้าได้ครับครับ ั S <S โลคือกิเลสไม่มีโลคือกิเลสนิพานังปรมามังสุ ข, ขังเลยพระชนก็จะบอกเออมันก็ต้องไป็นอัตราที่ยังรู้ว่านิพานเป็นสุขเนี่ยในในที่นี้ต่อกันมาก็ว่าพระนิพานเป็นสุขจยิงจริงนะครับอโลคยะปรามาลาภานิพานังปรมามังสุขขังครับครัคร้ทงที่โกจะมักคานังเกมังอมตะคามินังครับฮ ทางที่จะไปสู่นิพพานที่ประเสริฐก็คืออรียมัส<า>มี<า>งองแปดนะครับ <ะ S 1> ประเสริฐที่สุด <c oughs> ทีนี้ก็ที่นิพพานมีความสุขเนี่ยเอาตรงไหนไปจับว่ามีความสุขครับอาจารย์จริงตัวนิพพานตัวนิพพานไม่ได้มีความสุขนะครับตัวนิพพานก็เฉยๆ <c oughs> ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าผู้ที่เข้าถึงนิพพานเป็นผู้ที่มีความสุขครับ มีความสุขเพราะไม่ต้องทุกข์อย่างที่ปุถุชนทุกข์อยู่ปุถุชนต้องทุกข์อยู่ด้วยเรื่องใดผู้ที่เข้าถึงนิพพานไม่ต้องทุกข์โดเรื่องนั้นครับเขาเป็นสุขถ้าสมมติว่าเขามาด่าเราเราไม่โกรธตอบอันนี้ก็เป็นสุขเลยใช่ไหมฮะเกิใจไม่ก็เพื่อไม่กับใจเกิดใจใจไม่รับไม่รับถือตัวนี้จะปลิงออกไปได้ถือตัวนิพพานนี่ไม่ใช่เป็นตัวความสุข เพื่อไงครับเป็นแต่เพียงว่าเป็นสภาวะเป็นบอกว่าไงเดียครับเปรียบเหมือนว่าบอกว่าบ้านหลังนี้ครัือจันเคยเปรียบในต้นจันบ้านบ้านหลังนี้สบายจังเลยสบายเย็นดีเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่จริงๆบ้านอะดีเย็นดีอะไเนี่ยนะฮะคือตัวบ้านไม่ได้ไม่ได้รู้สึกสบายตัวบ้านไม่รู้สึกเจ็บเป็นคนคนไปอยู่นั้นสบายอ่่แตเวลาเราพูดเราก็พูดว่า บ้านหลังนี้เย็นดีบ้านหลังนี้สบายครับเนี่ยก็เหมือนกันนะฮชั้นใดก็นิพายก็ชนนครับเป็นทํานองนั้นน่นะครับครับผมครับครับก็ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงหัวข้ออีกทีนะครับว่าเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่าง เอันนี้ก็เลยทําให้เราได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าแม้จะมีโรคแล้วแต่ถ้าต้องการจะบรรเทาไว้น้อยลงสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําก็คือว่าความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> กินพอประมาณนอนพอประมาณทํางานพอประมาณ อ, อทุกอย่างต้องพอประมาณหมดนะครับถามว่าพอประมาณนี่ก็คือพอดีกับ ความต้องการพอดีกับร่างกายพอดีกับฐานะภาวะอย่างนั้นใช่ไห้ใช่จ้ะใช่ครับใ ช, ใช่ครับคือพ อ, พอดีกับบุคคลผู้ น, น, นั้นนะครับครับรู้สึกพอดีกับบุคคลผู้ น, นั้นะยังก็กรณีทานอาหารเนี่ยหลายท่านอาจจะมื้อหนึ่งก็ทานจานเดียวแต่บางหลายท่านอาจจะสองจานาก็เรียกว่าพอประมาณสําหรับคนนั้นนั้น ใช่ครับใช่ครับแต่แต่ละคนไม่เหมือนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไ ม, ไม่เหมือนกันคนผอมจะไปกินข้าวเทียสี่ชามห้าชามก็คงจะไม่ไหวแต่ว่าคนอ้วนที่ตัวใหญ่ก็จะกินได้แล้แลว่าพอประมาณของใครของมันใช่ค ร, ครับความพอประมาณนี้มีเฉพาะเฉพาะบุคคลด้วยนะครับไม่ว่าเหมือนเหมือนช้างพอประมาณของช้างก็อย่างหนึ่งครับพอประมาณของสุนัขก็อย่างหนึ่งครับ อันนี้เห็นจะพอมั้งครับชนะครับครับรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะออธิบายเพิ่มเติ ม, มนะฮะครับทีบนี้ข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดเอาชนะความง่วงด้วยความพอประมาณในอาหารอันนี้ก็แล้วก็คล้ายๆกันนะนะฮะแต่นี้ระบุมาถึงเรื่องความง่วงเอาชนะความง่วงด้วยการรู้จักประมาณในอาหาร นี่ก็เคยมีที่ท่านสอนให้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายเขาบริโภคแต่พอประมาณไม่น้อยจนอยู่ไม่มากเกินไปจนอึดอัดทําอะไรไม่สะดวกแล้วก็จวนง่วงก็อย่างที่ว่าเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าใช่ไหมฮะครับรบรรเทาเวทนาเก่าก็คือบรรเทาความอยู่แล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น คือไม่ให้ถึงกับอื่นอัดคือว่าที่ภาษสาริบุตรท่านบอกว่าอีกสีห้าคำจะจินก็ให้หยุดกระดื่มน้ำแทดก็ร่างกายก็จะกระปรี้กระเป่าอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่ชอบพูดถึงกันอยู่เสมอก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าจัดกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศ ชาเปรเซนต์นิโคสนันนั่นก็ท่านเมื่อก่อนท่านบริภคมากเป็คนอ้วนอุ้ยอายอ้วนมากบริภคมากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีไรก็นั่งอถอนหายใจอย่างลาบากนะครับนย่างลาบากพระุเจ้าท่านก็ตรัสสอนบอกว่าเมื่อใดบุคคลกินมากมา ก, มากน่วงมักนอนหลับกระสับกระสายเหมือนหมูใหญ่คนนั้น บุคคลผู้นั้นย่อมเสียมึนซึมและเข้าห้องนอนบ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงควรมีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารมีทุกขเวทนาน้อยอาหารที่บริโภคแล้วค่อยๆย่อยและต่ออายุให้ยืนนานอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทําให้เป็นคนที่มีทุกน้อยแก่ช้าและอายุยืนนะ ทำให้มีมีทุกน้อยแก่ชาและอายุจืดคือว่ามีสติมีสติแล้วก็บริโภคพอประมาณจะทำให้มีลักษณะอย่างที่ว่าเนี่นะฮะแก่ชาอายุจืดมีทุกน้อยมีทุกขขเวทนาน้อยมีทุกน้อยแก่ชาแก่ชาอายุจืด คือการมีสติบริโภคพอประมาณครับครับทีนก็เรื่องประกอบก็มีเรื่องที่เล่าแล้วตะกี้นะครับครับแล้วต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าปอร์เซนที่กกศลท่านปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็สิระก็กระปรี้กระปร่่กระชับกระเจงขึ้นต่อการลดอาหารทุเรา จึงจึงทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระองค์สามารถวิ่งจับเสือได้แล้วอสามารถวิ่งจับเสือได้แล้วก็น่าสนใจนะท่านอาจารย์ในเรื่องของการการรับประทานอาหารหรือว่าการเรื่องพวกการกินนี้ละกันนะฮะอถ้าเนี่ยก็หนึ่งก็มีทุกน้อยถ้ากินพอประมาณกินแต่พอดีโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็ ความแก่ก็อาจจะมาช้านะฮะเพรบบาบางคนนี่ยเกษียณแล้วออวันนี้เจอคนรู้จักคนหนึ่งกเกษียณมาตั้งหลายปีแล้วผมต้องดูว่าเขาถามว่ากเกษียณแล้วยังก็าบอก